You can watch on YouTube and Facebook Live is broadcasting live. Just in case you want to catch up later on, you can be anywhere and you can watch it every day. Every day, two two o'clock, two cameras. One for Facebook Live and the other for YouTube Live. There's some people in the States watching. One person from Las Vegas and send in question. You can send in question by text, and then we can reply, answer your question right away. You want to ask anything? Nothing. Okay. Good. เป็นชาวแคนาดชาวต่างประเทศเขาก็ยังมาถึงประเทศเราเพื่อมาปฏิบัติธรรมเพราะประเทศเขาหาที่ปฏิบัติธรรมยากหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในการสั่งสอนนี้ไม่มากหาได้ยากแสดงว่าประเทศเรานี่เจริญกว่าประเทศเขาทางด้านาจิตตะภาวนาถ้าใครอยากจะปฏิบัติจิตตะภาวนาต้องมาที่ประเทศไทยดนนความจริงเราก็ไม่น้อยหน้าประเทศอื่น ขนาดประเทศมหาอำนาจเขาก็ยังต้องมาศึกษาจากประเทศไทยแต่คนไทยเรากลับไปศึกษาจากประเทศมหาอำนาจเพราเราไม่สนใจเรื่องของการภาวนาเรื่องของการพัฒนาจิตใจเ ร, เราสนใจเรื่องของการพัฒนา ลาบยศสรรเสริญสนใจพัฒนาเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องไปศึกษาที่ต่างประเทศไปที่ประเทศที่เ็าเจริญด้วยราบยศสรรเสริญเจริญด้วยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ความเจริญ ทางลาบยุติสเสรเสรทางรูปเสียงกิริย์ไม่ได้ทำให้ใจพ้นทุก์ได้กลับจะทำให้ใจมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอาการจเจริญทางจิตใจจากการบาเพ็ญจิตตภาวนาจะทำให้ใจิตใจมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้น ผู้ที่เห็นความสุขความทุกข์ของใจว่าสำคัญกว่าความสุขความทุกข์ทางร่างกายก็จะหันมาให้ความสนใจต่อการบำเพ็ญจิตภาวนาผู้ที่ไม่สนใจก็จะให้ความสำคัญต่อการหาราบยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกม้นกายนี่คือความสุขของสองทางที่เรียกว่าทางโลกกับทางธรรมทางโลกก็ต้องมีลาบยศสรรเส ร, ริญมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพมาสัมผัสถึงจะมีความสุขส่วนทางธรรม นี่ต้องสลัดการาหาลาบยศรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปแล้วให้มาหาความสงบหาที่สงบเพื่อจะได้ทำใจให้สงบ ก, กายวิเวกจิตก็จะวิเวกตามถ้าที่ไม่สงบ ก, การทำใจให้สงบนี้ ย่อมเป็นไปยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยเป็นผู้ที่แสวงหาความสงบทางใจจึงมักไปปรีกวิเวกไปหาที่สงบทางกายที่ปราศ จ, จากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่คอยรบกวนใจเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปหาที่ที่ปราศ จ, จาก รูปเสียงกินนรสที่เป็นพิษเป็นภัยต่อใจเช่นในป่าในเขาเป็นสถานที่ ส, สงบสงัดจากรูปเสียงกลิน่นรสต่างๆที่ยัย่วยวนกวนใจที่คอยอปลุกดิเลตตันหาให้เกิดขึ้นทําให้ใจต้องวุ่นวายกระสับกระส่ายกวัวลกวาย งดหิรนญคำคานใจที่ในป่าในเขาถึงแม้จะมีรูปมีเสียงมก็เป็นรูปเสียงของธรรมชาติที่เอื้อต่อการทำใจให้สงบไม่ได้เป็นรูปเสียงที่จะขัดหรือทำลายความสงบของใจผู้บำเพ็ญ จิตตภาวนาจึงต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาถ้าเราศึกษาประวัติของผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเราจะเห็นว่าท่านไปอยู่ตามป่าตามเขากันทั้งนั้นมีบ้างแล้วเพียงจำนวนไม่มากที่สามารถบรรลุธรรมได้ในที่ในบ้านในเมืองแต่ก็มีจำนวนน้อยมากเป็นกรณียกเว้น ไม่ควรจะการมาถือว่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่างเกณฑ์ก็ตามป่าตามเขาอยู่ตามป่าตามเขาบรรลุในป่านั้นบรรลุบนเขาและเขาลูกนั้นเขาลูกนี้อย่างที่หลวงตาท่านเขียนไว้ในประวัติหลวงปู่มัน่นเขียนไว้ในปฏิปทาอันจะเล่าถึงประวัติของครูบาอาจารย์องค์ต่าง ที่ไปบําเพ็ญอยู่ตามป่าตามเขากันนะครับสถานที่การบําเพ็ญจึงเป็นเป็นปัจจัยสําคัญถ้ากายไม่วิเวกสถานที่ไม่วิเวกใจจะไม่วิเวกคําว่าวิเวกก็คือสงบสงัดใจจะสงบสงัดได้ก็ต้องอาศัยสถานที่สงบสงัดแต่ แต่ไม่ได้เป็นสถานที่เพียงอย่างเดียวเพราะถึงแม้จะไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดถ้าไม่มีอะไรควบคุมใจใจก็ยังฟุ้งได้ใจก็ยังวุ่นวายได้แต่สถานที่นี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยลดความวุ่นวายต่างๆให้กับใจช่วยเสริมการทำใจให้สงบ แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยเพียงปัจจัยเดียวต้องมีปัจจัยอีกอันหนึง่งก็คือสติสตินี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดฐานที่ที่วิเวกสงบสงัดนี้เป็นปัจจัยรองแต่ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะต้องมีนอกจากผู้ที่มีสติที่มีกำลังแก่กล้ามาก อันนั้นสถานที่ก็อาจจะไม่มีผลเท่าไหร่ท่านสามารถที่จะควบคุมเจตให้สงบได้ท่ามกลางความวุ่นวายต่างๆอันนี้ต้องเป็นผู้ที่ได้ฝึกมาแล้วอย่างโชคโชกในอดีตชาติพอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุได้เลยเช่น คนที่พบกับพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงบินถบาทแล้วกาบทูลขอให้ทรงแสดงธรรมให้ฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าเวลานี้ไม่เหมาะต่อการแสดงธรรมแต่ชายคนนั้นก็ยืนยันว่าขอสั้นๆก็ยังดีขอเอาแบบเนื้อๆขอเอาแบบสรุปเลยพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดส้อนแปลว่า เคยเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินให้สักแต่รู้พอพูดทั้นี้เขาก็เข้าใจเพราะจิตเขามีสติอยู่ตลอดเวลาจิตเขาก็สักแต่ว่ารู้อยู่ตลอดเวลาจิตก็ไม่ได้คิดตรงแต่งแต่เรื่องราวต่างๆเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้ รู้แล้วก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ไม่ยึดไม่ติดไม่เอามาคิดเอามาปรุงพอเสียงมากระทบกับหูปับ๊บเข้ามาในใจรับรู้ปับ๊บก็ดับไปก็ปล่อยไปผ่านไปอันนี้แสดงว่าได้เจริญสติมาอย่างโชคโชนจนเป็นจิตที่ตั้งมั่นอยู่แล้วจิตที่สักแต่ว่ารู้อยู่แล้ว แต่ว่าเวลามีกิเลสปรากฏขึ้นมาไม่รู้ว่าจะปฏิบัติกับกิเลสอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้เฉยๆอย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลงกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่รับรู้ความหมายอยู่ตรงนั้นแต่คนฉลาดนี้ ไม่ต้องอธิบายขยายความเพียงแต่บอกว่าให้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนี้ก็เข้าใจแล้ว mm hmm. ก็ให้เห็นเฉยๆให้รู้เฉย ๆ, ๆให้ดูเฉย ๆ, ๆให้ฟังเฉย ๆ, ๆอย่าไปเกิดความรักความชังความกลัวความหลงอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลงกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่รับรู้ อันนี้เป็นกรณียกเว้นสําหรับผู้ที่ยังมีสติที่อ่อนมากปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสะความคิดต่างๆจำเป็นที่จะต้องออกไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะถ้าอยู่ใกล้เดี๋ยวก็คิดปรุงแต่งไปกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเห็นอะไรก็จะปรุงแต่งไปแล้วก็เกิด กิเลสตันหาเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมา mm hmm. เกิดความวุ่นวายใจเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา mm hmm. การจะทำใจให้สงบก็จะไม่เป็นไปได้ mm hmm. จึงจำเป็นต้องไปเปกวิเวก mm hmm. ไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ mm hmm. แล้วก็หมัน่นเจริญสติด mm hmm. ึงใจให้ตั้งอยู่กับอารมณ์เดียว อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถึงนม้นจะเป็นเรื่องของทางปัญญาก็ยังไม่ควรเพราะปัญญาก็เป็นความคิดปรงแต่งเหมือนกันนอกจากเวลาที่เกิดทุกข์นั่นแหละถ้าจะใช้ปัญญาก็ใช้ได้เลยตอนนั้นถ้าใช้ปัญญาก็จะหยุดทุกข์ได้ใจก็สงบได้แต่ถ้าใจไม่มีความทุกข์ ่อยให้ใจคิดด้วยเปื่อยถึงแม้จะคิดไปในทางปัญญาใจก็จะไม่สงบเพราะมันไม่มีเป้าหมายของความคิดคิดไปแบบื่อยเปื่อยอย่างนั้นทางที่ดีควรหยุดความคิดดีกว่าควรให้อยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวสิ่งเดียวจะอยู่กับพุโทโธก็ได้ อยู่กับความตายก็ได้อยู่กับร่างกายก็ได้ให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะได้รู้เฉยๆจริงๆเวลาใจสงบเวลาความคิดหยุดหยุดปรงแต่งใจก็จะเนื่งสงบแล้วก็จะสักแต่ว่ารู้โดยที่ไม่ต้องไปบังคับ ตอนที่ยังไม่สงบนี้ยังต้องคอยบังคับให้สักแต่ละรุด้วยการให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่พอใจสงบแล้วนี้ไม่ต้องบังคับใจจะสักแต่ละรุโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาตินี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อให้เขาให้เข้าถึงตัวสักแต่ะรให้รู้ว่าการทำให้ใจสักแต่ละรุนี้ทำอย่างไร เวลาออกมาสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆจะได้ใช้สักแต่วรู้นี้ปฏิบัติกับสิ่งต่างๆต่อไปถ้าสักแต่วรู้กับสิ่งต่างๆใจจะไม่ทุกข์เลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ตามถ้าสักแต่วรู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย สักแต่ว่ารู้ไปใจก็จะไม่เดือดร้อนคนนั้นคนนี้เป็นนั่นเป็นนี่สักแต่ว่ารู้ไปใจก็จะไม่เดือดร้อนไม่ต้องทำอะไรทุกอย่างเขาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทุกอย่างเป็นกระบวนการของเขาอยู่แล้วเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเขามีเหตุมีปัจจัยให้มันเป็นอย่างนั้น เหมือนธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่ต้นมุงต้นไม้เขาโตขึ้นมาได้เขามีเหตุมีปัจจัยของเขาต้นไม้ตายไปเขาก็มีเหตุมีปัจจัยของเขาไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เขาเป็นขบวนการของเขาเหมือนกับกระแสน้าในลาธารเขาก็ไหลไปตาม ตามกระแสของเขาเวลามีฝนตกน้ำก็มากเวลาไม่มีฝนตกน้ำก็น้อยหรือบางเวลาก็แห้งไปเลยมันก็เป็นกระบวนการของเขาใจไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่ทุกข์ที่วุ่นวายกันก็เพราะไปยุ่งกับเขานั่นเอง อยากจะไปจัดการกับเขาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาล้วก็แทนที่จะทำให้มันดีกับทำให้มันเวลวร้ายขึ้นไปเป็นการทำลายธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็สร้างความไม่เป็นธรรมชาติที่ทำให้เกิด อะไรที่รุนแรงกว่าเดิมพายุรุนแรงกว่าเดิมความแห้งแงล้งรุนแรงกว่าเดิมน้าท่วมรุนแรงกว่าเดิมเพราะการจัดการของใจที่มีความรักชังกลหลงนี่เองถ้าใจไม่มีความรักชังกลัหลงแล้วใจก็จะปล่อยให้ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติของเก่า ใจก็ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายธรรมชาติเขาก็เป็นไปตามกระบวนการของเขาทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีอะไรที่ต้องเพิ่มไม่ต้องเติมไม่มีอะไรต้องตัดเพราะไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรขาดธรรมชาติเขาไม่มีเกิงไม่มีขาด เขาเต็มของเขาอยู่อย่างนั้นเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นใจก็สบายใจก็ไม่วุ่นวายไปกับธรรมชาติใจก็สงบมีความสุขนี่คือการพัฒนาใจเพื่อให้สู่จุดของการสัตย์แตว่รู้รับรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เขาเป็นอย่างนั้นแหละเขาเป็นอย่างนี้แหละจะให้เขาไปเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรพอไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นขึ้นมาก็วุ่นวายใจขึ้นมานี่คือเป้าหมายของการภาวนาให้ใจมีกําลังที่จะสักแต่ว่ารู้ให้ใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง ถ้าไม่มีความรักชางกลัวหลงแล้วก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆถ้ามองเห็นว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นของเขาอย่างนั้น<ม>นี้เขาเป็นอย่างนี้มาแต่ร่างเดิมและเขาจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเราไปยุ่งกับเขาทําไมไปวุ่นวายไปกับเขาทําไมไปรักไปชังไปกลัวไปหลงกับเขาทําไม เราไม่ได้ไม่เสียกับอะไรแต่ความหลงไปทำไปหลอกให้เราไปยึดส่วนนั้นส่วนนี้ของธรรมชาติว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วก็เลยเกิดการบิดเบือนความจริงของธรรมชาติ<ม>เช่นไปยึดร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเราร่างกายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ดินน้ำลมไฟนี้ก็เป็นธรรมชาติร่างกายนี้ก็ประกอบขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟก็เป็นธรรมชาติมีะบวนการของเขามีการเจริญมีการเสื่อมของเขามีการแกร่มีการเจ็บมีการตายของเขาไปเป็นธรรมดาแต่ใจที่ไม่มีอุเบกขาใจที่ไม่สักแต่วรู้นี้จะมีความรัก เป็นมาในสิ่งที่คิดว่าเป็นของตนอย่ามีความชังต่อสิ่งที่จะมาทําลายสิ่งที่ตนรักก็เลยเกิดการจัดการแก้ไขกันวุ่นวายไปหมดแต่จะแก้ไขอย่างไรจัดการอย่างไรกระบวนการของธรรมชาติเขาก็เป็นไปของเขาเหมือนเดิมร่างกายก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมต่อให้ ผลิตยามากี่ชนิดสร้างโรงพยาบาลใหญ่โตขนาดไหนมีเครื่องไม้เครื่องมือวิเศษขนาดไหนมันก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้กระบวนการของการแก่เจ็บตายก็เป็นไปเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็มาแก่เจ็บตายใหม่ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่ไปยึดไปถือว่าเป็นเราของเราก็จะทุกข์กับมันทันทีการมาภาวนาเพื่อให้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราทุกอย่างเป็นของธรรมชาติร่างกายนี้เป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟกระบวนการของดินน้าลมไฟก็ มารวมกันผสมกันก็เกิดการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายขึ้นมากอรวมตัวกันถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็เริ่ม เ, เริ่มถอนออกจากกันจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วร่างกายก็เริ่มเสื่อมลงไปความเจราก็เข้ามาแทนความจเจริญความจเจริญเติบโตก็หมดกาลังความ เสื่อมก็มีกำลังเพิ่มมากขึ้นความจลาก็มีมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นดับไปในที่สุดเมื่อกระบวนการของการตะลายแยกตัวของดินน้ำลมและไฟทำออกกันอย่างเต็มที่ดินก็ไปทางหนึ่งน้ำก็ไปทางหนึ่งลมก็ไปทางไฟก็ไปทางกลับคืนสู่ที่เดิมของเขา น้ำก็ไปหาน้ำลมก็ไปหาลมไฟก็ไปอยู่กับไฟดินก็ไปอยู่กับดินนี่คือกระบวนการแก้กปัญหาก็คือให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาความสุขของเรา อยู่ที่การไม่ยุ่งกับธรรมชาติความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราไปยุ่งกับธรรมชาติพยายามไปปรับไปแก้ไขธรรมชาติให้เป็นไปตามความต้องการของเรา <c oughs> ก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายใจต่างๆขึ้นมานี่คือเรื่องของทางธรรม ทางธรรมนี่มาศึกษาเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเป็นธรรมชาติเป็นดินน้ําลมไฟเพื่อจะได้สักแต่ว่ารู้จะได้ปล่อยวางทุกอย่างจะได้ไม่ไปวุ่นวายไปรักไปชังไปกลัวไปหลงเมื่อไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงก็จะไม่ทุกข์ก็จะสบายกับ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติธรรมชาตินี้มีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเมื่อกี้มีลมพัดตอนนี้ลมหยุดทัดแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราก็ไม่วุ่นวายไปกับเขาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาถ้าไม่ไปอยากให้ลมพัดตอนนี้ก็ไม่วุ่นวายถ้าอยากให้ลมพัดขึ้นมาก็จะเกิดความวุ่นวาย ทอางนั้นลมจะพัดไม่พัดก็ปล่อยไปตามเรื่องของลมอะไรจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแล้วใจจะสบายดีกว่าไปจัดการกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มาวุ่นวายใจกับมันไม่เกิดประโยชน์อะไรและในที่สุดเขาก็ไปจากเราอยู่ดี ไปจากใจอยู่ดีเรามาฝึกทำใจให้สักแต่ว่ารู้เพราะตอนนี้ใจเราไม่ยอมสักแต่ว่ารู้ชอบรับชังกลัวหลงชอบจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่เรามาปฏิบัตินี้เพื่อมาแก้ความวุ่นวายใจแก้ความทุกข์ เรามาแก้ธรรมชาติไม่ได้เราเพียงแต่มาศึกษาความจริงของธรรมชาติเพื่อเราจะได้ปล่อยวางธรรมชาติตอนนี้เราไม่ปล่อยวางธรรมชาติเราไม่เห็นว่าเป็นธรรมชาติเราเห็นว่าเป็นของเราเป็นตัวเราคือร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเราก็จะมีความรัก พอมีความรักก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความอยากให้สิ่งที่เรารักเป็นไปตามความอยากของเราแต่ความอยากของเรามันไม่ตรงกับความจริงของเขาความจริงของเขาก็คือเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราจะไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็เลยวุ่นวายเราก็เลยเดือดร้อน ถ้าเรามาปีกวิเวกมาอยู่คนเดียวมาเจริญสติควบคุมความคิดที่จะไปจัดการกับสิ่งต่างๆได้ใจเราก็จะสักแต่ว่ารู้ได้อย่างตอนนี้เราอยู่ที่นี่สิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเราก็ทําอะไรไม่ได้เราก็สักแต่ว่ารู้ไปเช่นเดี๋ยวใครโทรศัพท์มาบอกว่าไฟแม่บ้านแล้ว จะทํำยังไงทําอะไรก็มันก็ไหมอยู่แล้วจะไปทําอะไรไหมก็ปล่อยให้มันไหมไปสักแต่ว่ารู้ไปคนที่เขาสักแต่ว่ารู้เขาก็จะสักแต่ว่ารู้ใครโทรศัพท์มาบอกว่าเอา่าไฟไหม้บ้านแล้วเออรู้ก็ดีไหมก็ไหมสักแต่ว่ารู้ไปโดยนึกถึงนิทานมีหลวงพ่อ หลวงตาคนหนึ่งมาบวชตอนที่มีข้อบครัวแล้วก็ปล่อยให้ภรรยากับลูกอยู่บ้านไปหลวงพ่อนี่ก็มาบวชเป็นพระไปลูกก็เอาข้าวมาส่งทุกวันก็มีเรื่องทางบ้านอะไรก็มาเล่าให้ฟังก็มาเล่าว่าพ่อตอนนี้แม่ก็จะขายวัวขายควายแล้วนะอะ่สักแต่ว่ารู้ขายก็ขายไป แม่ก็จะไม่ทำงานเขาจะขายที่แล้วนะขายก็ขายไปแม่ก็จะมีผัวใหม่แล้วนะเฮ้ยไม่ได้ไหนถ้าไหนไม่ยึดไม่ติดก็ปล่อยได้ถ้าไหนยังยึดยังติดอยู่ก็ปล่อยไม่ได้ยังไม่สักแต่ว่ารู้จริงถ้าตักแต่ว่ารู้จริงก็จะบอกว่าเออดี ต่ไปมีผัวใหม่ก็ดีพ่อจะได้ไม่ต้องมากังวลมีคนมาดูแล<อ>ให้แม่มีความสุขพ่อก็ดีใจด้วยหลวงพ่อจะได้ภาวนาได้อย่างสบายไม่ต้องกังวลกับใครแล้วที่ยังกังวลอยู่นี่ก็กังวลที่แม่นีแหละกลั ว, วแม่จะอยู่อย่างไม่มีความสุขถ้าแม่มีผัวใหม่ได้ก็ดีออบอกว่าหลวงพ่อดีใจด้วยนะ ถ้าสักแต่ว่ารู้แต่นานิทานก็ไม่ได้ว่าเป็นอย่างนั้นเขาว่าเฮ้ยไม่ได้ <laughs> ขายวัวขายควายขายได้ขายนาขายไร่ขายได้ไดแต่จะไป ม, มีผัวใหม่นี่ยังไม่ได้ <laughs> ยังเป็นเมียเราอยู่ยังเป็นของเราอยู่ถ้า <laughs> ถ้าศัตดิ์แต่รู้จริงก็ต้องได้หมดะใายจะทําอะไรได้หมดนร่างกายนี้จะแก่ก็ได้ร่างกายนี้จะเจ็บก็ได้ร่างกายนี้จะตายก็ได้รับสมบัติเข้าของเ ง, งินทองขายจะเอาไปก็ได้ไม่ต้องการอะไรดูพระพุทธเจ้าเนี่ยพระตระเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆทรัพย์สมบัติราบยศสรรเสริญนี่ขายเอาไปเอาไปเลย เจ้าชายสิทธัตถะนี้เป็นอดีตไปแล้วตอนนี้เป็นสมนนะโคดมเป็นผู้บำเพ็ญกิตติภาวนาปบิกวิเวกอยู่ในป่าอยู่ในเขาแสวงหาความสงบแสวงหาอุเบกขาแสวงหาสัตตวรมรู้เพราะได้สัตตวรมรู้แล้วก็ไม่เคยคิดที่อยากจะกลับไปรับาราบจะรัพยับาสมบัติมรดก ต่างๆการอยากจะได้เอาไปเลยแม้แต่ลูกกับเมียก็ไม่ได้คิดอยากจะกลับไปได้คืนมา mm hmm. นี่แหละคือการสักแต่วรู้ mm hmm. พวกเรามาปฏิบัตินี่เขาให้เรารู้ข้อสอบของเรา mm hmm. ข้อสอบของเราก็คือสักแต่วรู้กับทุกสิ่งทุกอย่าง mm hmm. อะไรจะไปเ อ, อไปเลยใครจะไปไปเลย สมบัติจะไปไปเลยรถยนต์เขาจะมายึดยึดไปเลยอะไรต่างๆที่มีอยู่นี่มันจะไปให้มันไปเลยถ้าเราสักแต่ว่ารูร้จริงเราจะไม่เดือดร้อนเพราะการสักแต่ว่ารูร้จริงนี่มีความสุขมากเวลาจิตสงบนี่สักแต่ว่ารูร้นี่มันมีความสุขมากทำให้มันไม่หิวมันไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร ับไม่อยากจะมีสิ่งที่มีอยากจะให้มันหมดหมดไปเพราะมันเป็นภาระมีก็ต้องดูแลมันไม่มีดีกว่าไม่มีอะไรนะ่ะดีที่สุดการไม่มีอะไรนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังสุญญง—นิพพานังปละมังสุขขังนิพพานังประมังสุญญคก็จิตที่ไม่มีอะไรนี่แหละคือจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งนิพพานเ ปรมังสุขขังนิบานังคือจิตที่ไม่มีอะไรจึงเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งถ้ามีแล้วก็เป็นจิตที่มีความทุกข์อย่างยิ่งมีสามีมีภรรยาก็ทุกข์อย่างยิ่งมีลูกก็ทุกข์อย่างยิ่งมีทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองก็ทุกข์อย่างยิ่งตอนนี้เราศึกแต่ว่ารู้กันไม่ได้ ยังยึดยังติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยึดติดกับคนนั่นคนนี้ยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เวลาไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีคนนั่นคนนี้แล้วจะทุกข์มากจะไม่สามารถอยู่กับความไม่มีอะไรได้เพราะไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ได้ทำใจให้สงบไม่ได้ทำใจให้เป็นอุเบกขา ให้ทไม่ได้ทำใจให้สักแต่ว่ารู้เนี่ยจึงเน้นเรื่องของการเจริญสติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธินี้เมื่อเป็นสมาธิรู้แล้วว่าสักแต่ว่ารู้เป็นยังไงขั้นต่อไปก็ใช้ปัญญาเวลาจิตออกจากสักแต่ว่ารู้ก็ดึงกลับเข้าไปเวลาจะไปยึดไปติดกับราบยุดจันลสนไปยึดไปติดกับคนนั่นคนนี้ก็ดึงกลับมา ให้ดึงกลับมาที่สักแต่วารุเพียงอย่างเดียวเพอสักแต่วารุนี้สบายที่สุดดีที่สุดนั่นเองที่อื่นนี้วุ่นวายทุกข์อย่าไปให้อยู่ตรงจุดที่สักแต่วารุนี้เพียงจุดเดียวก็พอนี่คือขอบวนการของการเอ พัฒนาจิตใจที่เรียกว่าจิตตภาวนาขั้นต้นก็ใช้สติควบคุมความคิดเพื่อให้จิตเข้าสู่สักตวรู้เข้าสู่อุเบกขาแล้วพอออกจากสมาธิมาพอจิตจะออกจากจุดที่เป็นอุเบกขาจุดที่เป็นสักแตวรู้ก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าให้กลับไปที่เดิมอย่าไปอย่ากับสิ่งนั้นสิ่งนี้ อย่ากลับไปหาราบยศเสรเสริญอย่ากลับไปหาลูกเสียงกลิ่นรดอย่าไปหาคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันจะนำไปสู่การยึดการติดแล้วก็การอยากต่างๆไม่มีวันจบสิน้นแต่ถ้ายืนอยู่ที่ศักดิ์ตะวัรู้ได้ก็สบายไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยยากไปเปล่า ทำแปะถ้าเป็นถ้าตายเดี๋ยวตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยไปหาเงินไปหายศไปหาอะไรต่างๆเดี๋ยวพอตายไปก็ทิ้งไปหมดนเอาไปไม่ได้อยู่ดีเราไปหามันให้มันเหนื่อยนทำไมเอาของที่เอาไปได้ไม่ดีกว่าเนะี่ยเอาแต่สักแต่ว่ารู้ไปเนี่ยนพระพุทธเจ้าพระหลานท่านไม่ได้เอาอะไรไปท่านเอาแต่สักแต่ว่ารู้ไปเท่า น, นั้นเอง สักแต่ว่ารู้นี้เป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นเองเป็นปรมังสุขขังสักแต่ว่ารู้ฉะการปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็พุ่งมาที่จุดหมายปลายทางอันนี้คือให้ใจสักแต่ว่ารู้ไปตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปเราจะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์ จะมีแต่ความสุขไปตลอดลอวนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้ว400ประมาณ430เข้าป่ะจาะน430กว่าครับอาจานย์มีคำถามเข้ามาไังมีครับถามเลยก็ได้ มีใครจะถามคำถามไหมครับถามว่าถามตามไปคำถามถามจากผู้ฝากถามถากว่าเราไม่มีความอดทนกับคำว่าคนเห็นการอิจฉาริษยาผิดศีลละธรรมจนไม่อยากจะอยู่กับคนจะต้องบอกกับจิตว่าไงครับเพราะใน งานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราแทบจะไม่เจอคนแบบพระอาจารย์พระเพื่อมุ่งคนทุกข์ค่ะเพราะเราไม่สักแต่ว่ารู้ไงเราไปรับไปชังในสิ่งที่เราเห็นเข้าพอไปเห็นในสิ่งที่ชังเราก็อยากจะหนีมันไปแต่เราหนีมันไม่ได้หรอกหนีไปที่ไหนก็เจอไปอยู่ที่วัดก็ไปเจอสิ่งที่เราชังอยู่ดียัง เ, เราต้องมาแก้ที่ใจเรามาทาใจเราให้สักแต่ว่ารู้ ให้พุทโธพุทโธไปพอใจสงบแล้วใจสักจวโรก็จะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้คำถามจากเฟซบุ๊กไลฟ์วาย <What? S 2> Yes Go ahead Yeah Yeah After we keep concentrate our breathing, and the mind stops wandering around, we gain samadhi. Well, what determines our ability to concentrate the mind? Your mindfulness. Hmm? Mindfulness. You have to be mindful with on one object only. Focus on one object. What determines our ability to focus on one object? Your your training. w e you start from zero up. When you first start, you have not much mindfulness, not much concentration. But as you keep training your mind to focus on one object, your concentration will become stronger and stronger. And eventually, you will be able to stop your thought. So you just have to keep on training yourself to be mindful with only all on one object, like. Using a mantra like the word "buto t buto," t from the time you get up, when you open your eyes, just start reciting "buto" t mentally, and and you can do anything at the same time, but keep reciting the the mantra "buto t buto." Or you can focus on your body activity from the time you open up your eyes. Look at your body. What is the body doing now? Oh, it's lying down. Okay, it's getting up now. Sitting, standing, walking to the toilet, to wash, to brush. Just keep focusing on the body activity. Don't think about other things. Don't think about what happened yesterday or what's gonna happen today. Unless you have something important to think, then you can. If you want to think something important, stop the body standing, keep it standing or sitting, and then think mindfully. Just the important thing that you have to think, like planning for the day, what you are supposed to do. Once you have done that, you know what you r e supposed to do. Then you get, you go get prepared yourself for. Those things while preparing yourself, don't think about other things. Just focus on your preparation: taking a shower, brushing your teeth, putting on your clothes, yeah. eating, driving to work. Just focus on your your activity. Then you will be. Then you have concentration. And when you sit down. When you have spare time, you don't have to do anything. You sit down, close your eyes, and focus on your breathing. Just watch your breathing, in and out. Watch your breath. I'm breathing in. I'm breathing out. My breath is short or my breath is long. Just know, don't force your breathing. Leave the breathing natural. You just want to use the breathing as your point of focus to concentrate your mind. To prevent you from thinking about other things, because your thinking is the one that that, that prevents you from having peace of mind, having calm, having samadhi. You want to have samadhi. You want to have a mind that is neutral, equanimity, equanimity, a mind that isn't shaken by anything, by love or hate, by fear or by delusion. Once you have samadhi, then your mind will be pure, uh, temporarily, not not permanently. Only when you're in samadhi. But after you uh, withdraw from samadhi and you come back to the normal world, you start to see things, hear things. Then you might start to react to those things. What you want to do in the next step is to use. Wisdom or insight to tell your mind that everything that you see or hear is useless. There's no need for you to react to them. It's better for the mind just to be aware of them, just acknowledge them. Then there would be no no stress or pain in the mind. But if you see things and you start to uh, React because you like or you dislike, then your mind will become stressful. But if you just watch and just beware of the things that you see or hear, r e a l just just knowing that everything comes and goes. There's no need to do anything. No need. No need to to react to them. And you can remain aloof from everything. You will not be swallowed up by the situation, by the conditions of things around you, because you have a place where you can stand, protected from everything. The problem is you don't want to stand on that point. You want to go get involved and get yourself sucked in into all the troubles. That's why you need samadhi and panna or wisdom to. Tell your mind to stay aloof. Just beware. Just leave everything be. Let everything be. Then you will find peace and happiness inside yourself. That's the goal of Buddhist meditation. To save your mind from all the troubles that it keep getting into due to its delusion. By thinking what it sees or hears are something good for it. In fact, everything that the mind sees or hears are more hurtful than more beneficial. Because once you become involved with something, you always run into misery or pain eventually, sooner or later. Because everything is permanent is. It's temporary. It might start off good. You have good. You have fun. But then after that, the fun will disappear, and h pain will come afterwards. Because things change. Things that makes you have fun can disappear or change, and instead of giving you fun, it giving you pain instead. So this is wisdom. You should be able to see that everything is painful. Everything is uh, harmful to your mind. Nothing is good for your mind except being aloof from everything. Do so you get the picture? ออยากจะถามแล้วป่ะยังไม่มีนะทางบ้านต่อคำถามจากคุณปัทธมพรโยพยายามปฏิบัติเองอย่างต่อเนื่องได้สักพักก็รู้สึกถึงความสงบดีแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ปฏิบัติเลยพอตอนนี้อะไรเริ่มเข้าที่กลับมานั่งสมาธิดูคราวนี้ ยากเลยเจ้าค่ะจิตฟุ้งไปหมดไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรดีที่จิตฟุ้งเพราะเราขาดการขุดอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะขาดการรักษาสติต้องกลับมาสร้างสติขึ้นมาใหม่ให้อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆและเวลานั่งก็อย่าไปคิดถึงผลที่เคยได้ในอดีตให้หยุดความคิดทุกรูกแปแบบ ให้อยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับพุทธโธไปก็ได้อยู่กับนมหายใจเข้าออกไปก็ได้คำถามจากคุณสายลมเย็นที่ให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมในขณะทาสมาธิเราควรจะจับเอาเพียงอย่างเดียวหรือสามารถสลับพิจารณาไปได้ทุกเมื่อครับไม่ให้พิจารณาเลยเวลานั่งสมาธิให้สงบอย่างเดียวให้นิ่งอย่างเดียว การพิจารณานี้ต้องออกจากสมาธิก่อนอยู่อีกขั้นหนึ่งอยู่อีกเรื่องหนึ่งถ้าเรียนหนังสือก็คนละวิชากันวิชาสมาธินี้ให้อยู่กับอารมณ์เดียวไม่ให้คิดอะไรให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปจนกว่าใจจะนิ่งนิ่งแล้วก็ให้รักษาความนิ่งนั้นไปจนกว่าจะถอนออกมาจากสมาธิพอถอนออกจากสมาธินี้แสดงว่าเราเลิกนั่งสมาธิแล้ว เรนี้เราก็เราค่อยมาเจริญปัญญาแล้วพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตไปคํำถามจากคุณขอตามเธอไปทำยังไรจึงจะให้เกิดมีผู้รู้ขึ้นมาได้คะต้องมีสติต่อเนื่องเป็นวงกลมหรือเปล่าหนูภาวนา ม, มาสามปีแล้วเห็นแต่นิมิตโครงกระดูกบ้างก็เพราะว่าแวานั่งสมาธิไม่มี ไม่มีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งปล่อยให้ใจปรุงแต่งขึ้นมาต้องอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวหรืออยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วจะไม่มีนิมิตไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วจิตก็จะสงบแล้วก็จะเจอสักแต่ว่ารู้เจอผู้รู้ขึ้นมาข้อที่สองบางทีโดนเข่าด่าแล้วจิตมันวุกวู ม, กมาอยู่ตรงกลางอก สมองคิดแต่จิตนิ่งและความรู้สึกบางครั้งเหมือนจิตมันพูดได้ออกมากจากกลางอกอันนี้ใช่ผู้รู้หรือเปล่าคะก็ทําจิตมันนิ่งมันไม่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆก็ถือว่าเป็นอุเบกขาก็สัถือว่าสักแต่ว่ารู้คำถามจากคุณวัชรินในขณะที่นั่งสมาธิเกิดเห็นเป็นหลุมดำก็พยายามมองลงไปแต่ ก็ไม่เห็นอะไรก็เลยเดินออกมาแล้วมองขึ้นไปอีกฝั่งเห็นเป็นบันไดาทางขึ้นสว่างสวยงามอย่างนี้จะเรียกว่าเราเห็นนรกสวรรค์อย่างที่เขาพูดกันหรือไม่ครับไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ได้นั่งสมาธิ น, นี่ไม่ใช่เป็นวิธีนั่งสมาธิของทางพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั่งสมาธิต้องให้เห็นลมเป็นอย่างเดียวถ้าเห็นอย่างอื่นนี้แสดงว่าหลงไม่ได้นั่งสมาธิแล้วนั่งปรุงแต่งแล้ว เอ็มนั่งต้องนั่งดูโลมอย่างเดียวแล้อดูพุโทโธอย่างเดียวอะไรมาปรากฏให้เห็นก็อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจถ้าไปตามรู้ก็แสดงว่าไม่มีสติแล้วคํำถามจากคุณเฟิรนจะแก้ไขสันดานเกลียดค้านชอบเอาแต่นอนได้อย่างไรคะกล่าวความขยันมาสู้มันึ่งเออ คำถามจากคุณกันอารมณ์อุเบกขากับอารมณ์ศักแต่ว่ารู้เหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไรครับอันเดียวกันนั่นแหละคำถามจากคุณนุย้ยการที่เราพูดความจริงแล้วคนฟังรับความจริงไม่ได้ทำให้คนฟังไม่พอใจในคำพูดของเราเราจะบาปไหมคะและเราควรจะพูดอีกไหมคะถ้าพูดแล้วคนก็ไม่ไม่อยากจะฟังก็ไ่พูดทาไมก็อย่าไปพูดดีกว่า เขาไม่พูดเขาก็ไม่เกลียดเราพอไปพูดแล้วก็ทำให้เขาเกลียดเราก็อย่าไปพูดดีกว่านอกจากมันมีความจำเป็นจะต้องพูดก็อีกเรื่องหนึ่งเช่นเราเป็นครูเป็นอาจารย์ต้องบอกลูกศิษย์ว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกก็ต้องบอกไปเราต้องทำตามหน้าที่ของเราส่วนเขาจะโกรธจะเกลียดเรานี่ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นรางวัลของการเป็นครู ครูก็ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะครูไม่ต้องการอะไรจากลูกศิษย์นอกจากการที่จะสอนให้ลูกศิษย์รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชื่อเราจะโกรธจะเกลียดก็เรื่องของเขาคําถามจากคุณโมนีเวลาไปต่างจังหวัดมักจะเห็นหมาแมวโดนรถชนตายตามรายทางอยู่เรื่อยๆจนไม่อยากมองข้างทางเลยค่ะ พอเห็นแล้วใจคอไม่ดีเลยสงสารพวกเขามากคระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทนางด้วยค่ะก็ไม่มีโอเบค้ายเองถ้ามีโอเบค้าก็จะว่ามันเป็นกรรมของสัตครับทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้ดีหรือเชื่อจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคําถามจากคุณมล ต้องเดินจงกรมรวมกับนั่งสมาธิสลับกันตลอดใช่ไหมครับสำหรับคนที่ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนก็ต้องมีการสลับท่าถ้าไม่สลับท่าเดี๋ยวร่างกายมันก็พิการไปถ้านั่งอย่างเดียวไม่มีการเดินการยืนเลยเดี๋ยวร่างกายก็เป็นเป็นง่อยเป็นอะไรไปได้ถ้าเดินโดยที่ไม่มีการนั่งเลยไม่มีการนอนเลยร่างกายมันก็ไม่ไหวมันก็เหนื่อย ดังนันหรับผู้ที่ปฏิบัติเป็นมืออาชีพปฏิบัติตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับเขาก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปตามความต้องการของร่างกายถ้าเดินแล้วร่างกายเมื่อยก็มานั่งถ้านั่งจนร่างกายเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินก็ต้องมีการเปลี่ยนไปแต่การปฏิบัติทางใจก็อันเดิมมีสติอยู่กับพุทโธกับพุทโธไปไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดิน เพื่อควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งแล้ว เ, เมื่อใจไม่คิดปรุงแต่งใจก็จะสงบเป็นอุเบกขาได้ต่อไปคําถามจากคุณสุพจน์การเจริญวิปัสสนาโดยที่จิตยังไม่สงบเป็นอุเบกขาสามารถเป็นไปได้หรือไม่ครับก็ลองทําดูเลยคือทําได้แต่มันจะตัดกิเลสได้หรือเปล่าการเจริญวิปัสสนานี้ก็เพื่อตัดกิเลสตัณหาดับความทุกข์ต่างๆ ถ้าจเจริญแล้วดับไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้มันดับได้วิธีจะดับได้พุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วมีอานิสงส์มากมีประโยชน์มากถ้าปัญญาที่ขาดสมาธิอบรมมันก็จะไม่มีอานิสงส์มากไม่มีประโยชน์มากมันก็จะไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายของปัญญาได้ เป้าหมายของปัญญาก็คือละตัญหาดับความทุกข์เลถ้าละไม่ได้ก็แสดงว่าปัญญาไม่ได้รับการอบรมจากสมาธินั่นเองคำถามจากคุณทิพย์สติปฏิฐานสี่คืออะไรคะคือเป็นหลักสูตรของการไปสู่พระนิพพานไปสู่ขั้นตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปตั้งแต่ขั้นสติสมาธิ ขันปัญญาขั้นวิมุตติขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอารานรวมอยู่ในสติปัฏฐานสี่เป็นหลักสูตรไปสู่พระนิพพานถ้าทางโลกก็เป็นหลักสูตรให้ไปจบปริญญาเอกคําถามจากคุณกุ้งลูกรู้สึกขุ่นมัวกับน้องที่เขากินเจจนทําให้จิตไม่เป็นสมาธิ ลูกมีความรู้สึกว่าทำไมเขามาอยู่ในสังคมที่ทำงานที่เขากินปกติอยู่กินด้วยกันอย่างได้ทุกอย่างแต่เขาก็ยังมุ่งกินของเขาไปทำให้เป็นความยุ่งยากของแม่ครัวในการทำอาหารทำอย่างไรลูกจะสามารถทำใจไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับน้องคนนี้ได้เจ้าคะเพราะลูกรู้สึกว่าการกินเจของเขาไม่ได้มุ่งสู่ความพ้นทุกข์ลูกเปิดธรรมะฟังน้องเขาบอกทาน้องว่าราคาญเสียงธรรมะ แสดงว่าสัตว์จะที่นองเ้ามุ่งกินเจมีได้สร้างปัญญาให้เขาได้เลยใช่ไหมเจ้าคะก็ให้มองเขาว่าเป็นเหมือนพวกวัวควายก็แล้วกันวัวควายก็กินเจเหมือนกันทําไมเราไม่เห็นวุ่นวายกับวัวควายวัวควายมันจะกินเจก็ปล่อยมันกินไปเลยมันจะกินหญ้ากินผักก็ปล่อยมันกินไปน้องเขาจะกินเจก็ปล่อยก็กินไปเพราเท่านั้นเองไม่มีปัญหาเลย นะอ๋เคยเราไปอยากให้เขาไม่กินเจมันก็เลยวุ่นวายขึ้นมาทำไมไม่วุ่นวายไปกับวัวกับควายวัวควายก็กินหญ้ากินเจเหมือนกันก็ปล่อยว่ากินเจไปได้ปล่อยให้เขาเป็นวัวเป็นควายไปก็จบเท่านั้นเองคำถามจากคุณหนึ่ง จิตแรกจิตเดิมแท้ของเราใครทำไมต้องมาวนเวียนในวัฏจักรสงสารนี้ด้วยครับอันนั้นเป็นอิจจนติใจเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบอย่าไปถามไม่เสียเวลามาถามดีกว่าว่าจิตมันทุกข์เพราะอะไรแล้วดับความทุกข์ของจิตได้อย่างไรเอาแค่นี้พอเพราะถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วก็ปัญหาก็ไม่มีที่มีปัญหาทุกวันนี้ก็จิตประทุกกันงั้นมาแก้ที่ที่ความทุกข์ดีกว่า อย่าไปค้นหาจุดเริ่มต้นของจิตเลยคำถามเมื่อสักครู่นี้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ตอบไม่ได้ครับอาจารย์เอางี้เอาี้จะให้คิดข้อคิดคุณไปหาจุดเริ่มต้นของวงกลมได้ไหมว่ามันเริ่มต้นตรงไหนะจะว่ามันเริ่มต้นตรงนี้หรยอตรงนั้นหรอมัน ก, มนก็มันก็วนอยู่ น, ยนั่นแหละอาจารย์ไหม คำถามจากคุณลุ่งรัตทำไมพวกเทวราถึงบวชไม่ได้เหมือนมนุษย์คะอ่าก็ไม่มีร่างกายจะบวชได้ไงนะบวชเป็นก็ต้องมีร่างกายต้องเป็นผู้ชายด้วยเป็นผู้หญิงก็เดี๋ยวนี้ก็บวชไม่ได้แต่ก็บวชทีได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันสังคมของนักบวชหญิงคือพิกษณุณีมันจบไปแล้วมันหมดไปแล้วก็เลยไป ก่อร่างสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้เพราะไม่มีครูไม่มีอาจารย์มาเป็นผู้คอยสั่งคอยสอนนะมาสร้างกันเองก็เดี๋ยวก็มั่วกันไปแหลกเองค่ะคำถามจากคุณสินีตอนนั่งสมาธิจะมีจิตตัวหนึ่งรู้ <c oughs> เห็นจิตอีกตัวหนึ่งนิ่งสงบถือว่านั่งถูกต้องไหมคะคนั่งแล้วสงบก็ถูกค่ะคำถามจากคุณอิทธิษ การทำให้จิตมีกาลังในชีวิตประจาวันควรทำอย่างไรครับเนี่ยทำให้จิตมีสักแต่ว่ารู้ไปให้รู้เฉยๆไปแล้วจิตจะมีพลังพลังต่อสู้กับปัญหาความอยากต่างๆต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงเราไม่ต้องการพลังแบบร่างกายที่จะยก ข, ของหนักที่จะทำอะไรต่างๆเราต้องการให้ใจเฉยๆท่านั่นเอง ใจไม่วุ่นวายไม่กับเหตุการณ์ต่างๆให้แข็งเหมือนให้ให้นิ่งเหมือนก้อนหินพายุมาก็ไม่สามารถมาขยับก้อนหินได้ใจที่ไม่มีกำลังนี้เหมือนใจที่เป็นปุยนุ่นพอลมเบาๆพัดมานุ่นก็ปิวไปแล้วแต่ใจที่มีสมาธิใจที่มีอุเบกขานี่จะนิ่ง ไม่ว่าจะถูกอะไรมากระทบกระเทือนก็จะรู้ไม่รู้สึกเดือดร้อนใครจะด่าก็เฉยใครจะแย่งแฟนไปก็เฉยใครจะแย่งแย่งตําแหน่งไปก็เฉยไม่เดือดร้อนนี่แหละคือพลังของใจเราจะทําให้ใจไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆใจจะนิ่งจะสงบมีความสุขตลอดเวลา คำถามจากคุณไกลินการอธิษฐานจิตพิธีปลุกเสกต่างๆกับการทำสมาธิหรือไม่ครับและการกระทาดังกล่าวถูกต้องตามหลักปรัชนาไหมครับมันการปลุกเสกนี่มันไม่ได้เป็นการนั่งสมาธิแต่อย่างใด เ, เราก็ไม่รู้เราไม่เคยปลุกเสกเขนี้ไม่รู้ไปปลุกอะไรไม่รู้ไปปลุกอะไรไปเสกอะไรมันเป็นความเชื่อที่ไม่มี ไม่มีอะไรมารับรองว่าเป็นจริงหรือไม่จริงแต่เป็นความเชื่อว่าอปั้นตุ๊กตาขึ้นมาแล้วก็มาปลุกให้มันเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็<ม><ม>เป็นความเชื่อเช่ไหมมันก็เป็นตุ๊กตาอยู่ดีอย่างพระพุทธรูปนี่ก็ตุ๊กตาดีๆไ ด, ด้เองเพียงแต่เราไม่เรียกว่าตุ๊กตาเราเรียกว่าพระพุทธรูปแล้วมันต่างกันที่ไหนแล้วใครเป็นคนปั้นตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาดีไม่ดีคน คนมีบาบมีกรรมเป็นคนปั้นก็ได้เพราะคนคนที่มีศิลปะมักจะชอบกินเหล้าโลกมีศิลปะนี้เขาต้องมีอารมณ์ต้องกินเหล้าพอกินเหล้าแล้วก็อารมณ์ปั้นออกมาได้สวยงามเเอาคนที่มีบาบมามาปั้นพระพุทธรูปแล้วจะทำให้พระพุทธรูปกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้อย่างไรมันไม่ได้พระพุทธรูปนี้ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้น พระพุทธรูปศักิ์สิทธิ์ตรงที่ว่าเป็นฉายาลักษณ์เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้เราระลึกถึงความดีงามของพระพุทธเจ้าให้เราระลึกถึงการคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็จ ะ, ะกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่มันศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเท่านั้เอง แต่ถ้ามีพระพุทธรูปแล้วเอามานั่งกราบไหว้จุดธูปเทียนสามดอกทุกเช้าทุกเย็นไปจนวันตายมันก็ไม่ได้อะไรคำถามจากคุณประสินสังเกตบทพิจารณาสังขารมัดทะเกมัดทะหลุงคังเยื่อในสมองศีสากอันนี้เป็นส่วนของธาตุดินหรือธาตุน้ำครับเพราะเคยได้ยินหลายที่เวลาสวด น, นำํำ ก็มันเ้าจะเป็นของแข็งก็เรียกว่าเป็นส่วนของธาตุดิ่งไปเอางานที่เป็นของเหลวก็เป็นส่วนของธาตุน้ำไปของไานที่มันเป็นเบาเช่นลมในท้องนมที่พายออกมาจากท้องนี่ก็เป็นธาตุลมไปลมที่หายใจเข้าไปในปอดก็เป็นธาตุลมไฟก็คือความร้อนก็มีท่านไหมคำถามจากคุณมุนี หนูเพิ่งมาศึกษาธรรมะจริงๆได้ไม่นานหลังจากได้ฟังเทศฟังธรรมมาได้พักหนึ่งรู้สึกอยากฟังทุกวันถ้าว่างหรือกลับจากที่ทํางานต้องรีบเปิดฟังทางอินเทอร์เน็ตไม่อยากดูทีวีอีกเลยเกิดจากอะไรคะอาจารย์ความสุขที่ได้รับจากการฟังธรรมเกิดจากการที่ได้ความรู้ที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนอะไรทําให้เกิดในความสนใจเพราะว่าเห็นว่าเกิด เพราะว่าเป็นประโยชน์แก่จิตใจทำให้จิตใจฉลาดขึ้นทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้น응ก็เลยทำให้เกิดมีความยินดีเหมือนกับเราไปกินอาหารร้านไหนร้านหนึ่งแล้วมันอร่อยเราก็อยากจะกลับไปกินอาหารร้านนั่นอยู่เรื่อยๆเพราะเวลากินแล้วมันมีความสุขจันไดธรรมะก็เป็นเหมือนอาหารใจพอเราได้สัมผัสแล้วมันทาให้เรามีความสุขใจอิ่มเอิบใจ มีความรู้มีความเห็นที่เราไม่เคยรู้มาเห็นมาก่อนแล้วสามารถนำามาใช้กับชีวิตคือเอามาแก้ปัญแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เราก็เลยเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของธรรมะก็เลยอยากจะติดตามติดศึกษาไปเรื่อยๆพอคิดเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเราได้ปริญญาตรีแล้วเราก็เห็นว่ามีคุณค่ามากเราก็อยากจะได้ปริญญาโท พอเราได้ปริญญาโทรเราก็อยากจะได้เปริญญาเองอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะนี้ก็จะดูดเราขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆให้เราได้ศึกษามากขึ้นนัดขั้นต่อไปก็จะดูดให้เราไปปฏิบัติขั้นต้นก็ดูดให้เราศึกษาก่อนพอศึกษาแล้วทีนี้เราก็รู้แล้วว่าถ้าอยากจะได้ผลมากกว่าการศึกษาทีนี้ก็ต้องปฏิบัติแล้วต้องนั่งสมาธิแล้วต้องไปเปกเวเวกอยู่คนเดียว ต้องไปถือศีลแปดพอดั่งสมาธิได้ก็ดูดเราขึ้นไปสู่ขั้นปัญญาดูดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพระนิพพานคำถามจากคุณกันไม่เข้าใจแนวทางการใช้ปัญญาหลังจากออกสมาธิว่าทำขั้นตอนไหนครับเพราะในขั้นสมาธิพระอาจารย์บอกใช้ปัญญา ไม่ได้ต้องถอนออกมาก่อนก็ตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิแล่วไงพอคิดถึงขนมนก็ใช้ปัญญาบอกว่าอย่า ก, กินกินแล้วติดเหมือนยาเสพติดถ้าไม่กินต่อไปก็สบายเงินก็ไม่เสียแล้วก็ไม่ทุกเวลาไม่มีขนมกินถ้ากินแล้วมันติดต้องหากินอยู่เรื่อยเวลาไม่มีเงินซื้อก็ทุกเวลามีเงินซื้อแต่ไม่มีขนมขายก็ทุกถ้าไม่ติดแล้วก็สบายนี่ยเรียกว่าปัญญา ก็ให้เห็นว่าความสุขที่เราหาจากสิ่งต่างๆนี้เป็นความสุขปลอมเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงกินแป๊บแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วความสุขที่ได้จากการกินก็หมดแล้วเดี๋ยวก็อยากจะกินใหม่ละเพราะมันหมดแล้วความสุขที่ได้จากการกินขนมมันหมดแล้วอยากจะได้ความสุขใหม่ก็ต้องกินใหม่ก็ต้องกินไปเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลากินไม่ได้ก็จะทุกข์พอไปไปตรวจเลือดหมอบอกว่าความความดันสูงวะนะไขมันสูงวะนะ น้ำตาลสูงแลนะต้องลดขนมนมเนยลงแล้นะตอนนั้นก็จะทุกข์ละเอาใจไหมเนี่ยนี่คือปัญญาให้เห็นว่าการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะนําไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นําไปสู่ความสุขความสุขเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวเดียวแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาแต่ถ้าเราไม่หาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับเขา เพราะสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบเทียบก็เหมือนกับยาเสพติดดีๆนี่คนที่เสพยาเสพติดกับคนที่ไม่เสพไม่ใครใครสบายกว่ากัน น, นั่นสิรูปเสียงกินก่นนี่ก็เหมือนยาเสพติดเนี่ยขนมนมเนยนนี่ก็ยาเสพติดกาแฟนี่ก็ยาเสพติดบุหรี่เหล้าก็ยาเสพติดนะดูหนังฟังเพลงก็ยาเสพติดนอนกับแฟก น, นก็ยาเสพติดมันเตะมันเสพแล้วน้ำติดใช่ไหม พอไม่ได้เสพ้วเป็นไง ว, ว้าเหวเศร้าสร้อยง่อยเหงาเวลาแฟนทิ้งเราไปเรื่องแฟนจากเราไป เ, เวลานั้นก็เศร้าสร้อยง่อยเหงาอพอไม่ได้เสพแล้วไงเวลาเสพก็มีความสุขเหมือนยาเสพติดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเสพทุกวันเนี้มันเป็นยาเสพติดทั้งนั้นแหละเพียงแต่เราทุกคนเสพกันก็เลยก็เลยไม่พูดว่ามันเป็นยาเสพติดอ่ะ แต่คนที่ก็ไม่เสพอย่างพระพุทธเจ้าพระหลานตัางหลายก็เ็าเห็นว่าพวกเรานี้เป็นพวกติดยากันทั้งนั้นติดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถึงมาสอนให้เลิกเนียอย่ามาเสพเลยมาอยู่เฉยๆดีกว่ามาสักแต่ว่ารู้ทาใจให้สงบดีกว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าจากการเสพยาเสพสิ่งต่างๆในโลกนี้ทำใจให้สงบแล้วใจใจอิ่มจะมีความสุขแล้วจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรส ถ้าหิวก็ใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปเสพพระอาจารย์ครับปัญญาเนี่ยหมายความว่าแม้จะเป็นความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาแต่ตัวเองยังทําไม่ได้ตามความคิดนั้นก็กลายเป็นปัญญาเหมือนกันใช่ไหมครับก็มีปัญญาสามสามสามขั้นไ ง, งตอนนี้ได้ยินได้ฟังก็เรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแต่ยังเอาไปเอาไปใช้ไม่ได้เอาไปปฏิบัติไม่ได้เอาไปเลิกกับแฟนไม่ได้เอาไปเลิกขนมไม่ได้น พอยังไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกใจให้มีกําลังใ ห, ให้มีความสุขใจก่อนท่านต่อไปก็ต้องเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติใจมีความสงบมีความสุขใจแล้วทีนี้ก็เลิกได้เลิกขนมนมนได้เลิกแฟนได้เลิกทุกสิ่งทุกอย่างได้พระเจ้าข้าคุณกอลวีถามมาว่าพระอาจารย์มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยเหรือคะ ทำไมถามทำไมลนะมันเกี่ยวอะไรคุณอ่ะเราจะเราไม่เคยประกาศว่าเราสุขหรือเราทุกข์นไหนคุณไปคิดเอาเองเราบอกมีความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เดี๋ยวก็จะหาว่าเราอุตริอกีกนะเราไม่เคยพูดนะว่าเรามีความสุขไม่มีความทุกข์เราก็เป็นเรื่องของเราเราสุขก็สุขมันก็เราเปก็เป็นเรื่องของเราเราทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราอย่ากังวลกังวลกับสุขกับทุกข์ของคุณดีกว่าเอ คำถามจากคุณน้อยความเห็นว่าเป็นเราที่อยู่ตรงหน้าเป็นโสดาบันแล้วจะหายไปไหมครับผมจะจะเห็นที่ร่างกายนี้ว่าไม่ได้เป็นของเราความเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราจะหายไปจะเห็นร่างกายแล้วนี่เหมือนกับร่างกายของคนอื <ourcing> ่นเวลาร่างกายของคนอื่นเจ็บเราไม่รู้สึกอะไรเวลาร่างกายเราเจ็บเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเหมือนกันแต่ตัวเรายังมีอยู่ในใจความคิดว่าเรายังเป็นเราอยู่ยังมีอยู่ มันมีสองเราเราที่ร่างกายกับเราที่ใจเราปล่อยวางเราที่ร่างกายได้แต่เรายังปล่อยวางเราที่อยู่ในละอยู่ในใจเราไม่ได้ปัญญาเรายังเข้าไม่ถึงเราต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้หมดก่อนเราถึงจะเข้าเข้าไปปล่อยในใจได้ทีหนึ่งพระโสดาบันเพียงแต่ปล่อยร่างกายของเราแต่ยังไม่ปล่อยร่างกายของแฟนเข้าใจไหมยังรักแฟนอยู่ยังหวงแฟนอยู่ต้องไปปล่อยร่างกายของแฟนด้วยถึงจะปล่อยร่างกายได้หมด อก็ต้องเข้าไปก่อนอย่างนีตอนนี้คุณเข้าไม่ถึงคุณก็จะไม่รู้อตอนนี้คุณอยู่ที่ร่างกายเป็นส่วนใหญ่คุณคิดว่าร่างกายเป็นตัวคนตัวเราของเราอพอคุณปล่อยร่างกายแล้วคุณก็จะเห็นว่ามันยังมีอีกตัวเหลืออยู่มันยังอยู่มันยังคิดอยู่ในใจว่ายังมีเราอยู่ยังคิดว่าเราสูงกว่าเขาต่ํากว่าเขาเท่ากับเขาอยู่อันนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายใช่ไหมร่างกายเรารู้แล้วว่าเท่ากันหมดใช่ไหม ร่างกายก็เป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันทุกคนเท่ากันหมดไม่มีใครสูงกว่าใครแต่ทําไมเรายังคิดว่าคนนั้นเขาสูงกว่าเราต่างกว่าเราหรือเท่าเราอยู่อันนั้นก็ยังเป็นความหลงของเราอยู่ที่ยังมองไม่เห็นว่าเราก็เท่ากันหมดเองเราก็ต้องไปแก้ตรงนั้นอีกทีมันเขาก็ไม่สูงกว่าเราเราก็ไม่สูงกว่าเขาเราก็คือใข่เราต้องรู้จักว่าเราคือใครพอเราไปเจอตัวเราที่เหมือนกันทุกคนเราก็จะรู้ว่าเหมือนกันหมดก็คือตัวรู้นี่เอง เราต้องเข้าไปถึงตัวรู้เราถึงจะรู้ว่าตัวเรานี้คือตัวหลงตัวเลกคือตัวรู้คือตัวจริงทุกคนมีตัวรู้หมดแต่ไม่ได้อยู่กับตัวรู้ไปอยู่กับตัวหลงแทนใช่ไหมหรือว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยเป็นอะไรไปเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นนายกเป็นอะไรไปเนี่ยหลงไปนะหลงไปกับสมมุติเขาสมมติให้เราเป็นกำนันก็คิดว่าอ้ยเราใหญ่แล้ว สมมบุญให้เราเป็นครูใหญ่เป็นผู้จัด ก, การเนี้เราก็คิด ว, ว่าเราใหญ่กว่าเขาแล้วเข้ <Yeah. S 1> าใจไหม mm hmm. มันมีสองหลงเนี่ยหลงเราเราในร่างกายกับเราในใจใ <Yeah. S 1> เนี่เราตอนตอน้นต้องถอดเราออกจากร่างกายก่อนแล้วถึงค่อยเข้าไปถอดเราในใจอีกทีหนึ่งพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ให้พรสอนไหมครับรก็ไม่มีใครไปนะ ก็อยากดูวันนี้ก็มีแต่พวกฟังธรรมนะนั้นแต่จะให้ก็ได้เผื่อใครอยากจะกลับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทำตามสูตรรับพรนะยะถาวาเลกวาหาปุรปารปัริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏทิตงัตงตุมหังคิปเเมวะสมิจจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธาเมณิโชติกะระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุทธาปจายโน จตารโหทัมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง you got any more question not yet, no, not yet. okay keep reading <Yeah. S 1> reading is just a starting point the next step is to practice apply what you read in your in your life In in your activity, especially your mind, apply to you to your mind, teach your mind to to know how to behave properly. Right now, your mind is behaving erratically, emotionally, not rationally. That's what cause problem when you react emotionally. ทางบ้านมีทางไหมอ่าเข้ามาต่อคําถามจากคุณพักผ่หนูมีเรื่องทะเาลาะกับข้างบ้านมาห้าปีแล้วเคลียหลายครั้งต่อหน้าก็ไม่มีอะไรแต่พอเข้าบ้านเขาขู่ฆ่าทําร้ายบางตอนแรกหนู ก, ก็กลัวเป็นทุกข์มากพอฟังพระอาจารย์หนูพิจารณาต้องตายอยู่ดีหนูก็เลยเอามาเป็นอารมณ์บริกรรมรักเสียให้ปล่อยร่างกายหนูไม่ใจสั่นกลัว ถ้าเขายิงหนูตายไปหนูจะได้เป็นท้าโซดาบัน <c oughs> ไหมคะได้ได้เลยได้แน่นอนอคำถามจากคุณบอยอจิตติดเพ่งที่กลางหน้าผากจนมือหัวจนต้องนั่งสมาธิไม่ได้ครับต้องใช้เดินแทนต้องแก้ไขยอย่างไรครับถ้ามันเพ่งที่หน้าผากมื่อถ้าเพ่งอะไรแล้วมันรู้สึกว่ามันปวดที่หน้าผากก็อย่าไปเพ่งลองสวดไปก่อน เพราะว่าจิตของเรามันค่อนข้างที่จะฟุง้งพอเรามาบังคับให้มันหยุดให้อยู่กับอะไรสักอย่างมันจะเครียดขึ้นมาฉะนั้นก็ให้มันสวดมนต์ไปก่อนสวดไปจนกว่ารู้สึกเบาสบายแล้วค่อยมาเพ่งดูลมต่อไปคำถามจากคุณทิพวรรณการนั่งสมาธิในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นกี่นาทีกี่ชั่วโมง ถ้าจิตยังไม่ตกหลุมตกบอบถือว่าการนั่งสมาธิในครั้งนั้นไม่สําเร็จผลและไม่ได้บุญจากการนั่งสมาธิครั้งนั้นนั้นใช่ไหมคะก็ได้บางส่วนได้ส่วนที่เป็นเหตุแค่คือถ้าเราไม่นั่งเราไม่เจริญสติเราก็จะไม่ได้ผลที่การเจริญสติของเราอาจจะยังไม่สมบูรณ์ล้มลุกคุกคานผลก็เลยยังไม่เกิดแต่เราก็ได้บุญส่วนตรงที่เรานั่งส่วนที่เรา พยายามควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเยงแต่ว่าเรายังไม่สามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่เต็มร้อยแต่ถ้าเราไม่ทำเลยเราก็จะไม่มีวันทำได้ดังนั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องทำอย่างนี้ไปก่อนนั่งไปแล้วแต่ไม่ได้ผลแต่นั่งไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งพอสติเรามีกำลังสมบูรณ์มันก็จะได้ผลเองเหมือนกับเด็กอะถ้าจะ เวลาคานเราจะลุกขึ้นมาเดินแล้วนี่มันเป็นไปไม่ได้เด็กก็พยายามลุกพยายามยืนพยายามเกาะนูน่นเกาะ น, นี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ล้มล้มแล้วเดี๋ยวก็พยายามขึ้นใหม่ๆต่อไปทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีกาลังมากขึ้นมากขึ้นกาลังขามากขึ้นเดี๋ยวก็ยืนได้แล้วต่อไปก็จะเดินได้วิ่งได้การฝึกสติก็แบบนี้เริ่มต้นก็จะล้มลุกคุกคานคิดแล้ว พุโทโธแล้วเดี๋ยวก็เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอได้สติ ก, ก็เดินกลับมาใหม่กลับมาอยู่กับพุโทโธใหม่อย่าปล่อยให้มันคิดแล้ว อ, อยู่กับร่างกายก็ดูร่างกายไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำอยางนี้ไปเดี๋ยวต่อไปมันก็จะอยู่พออยู่แล้ววันานั่งดูลมแลืว อ, อยู่กับพุโทโธมันก็จะนิ่งจะสงบจะตกลุมตกบ่อได้คําถามจากคุณน้อยความเห็นว่ามีเราเป็นเรา เมื่อมีปัญญาแล้วจะหายไปจนไม่มีเราใหม่ครับมันหายไม่หายไม่สำคัญแต่เรารู้ว่ามั น, มนเราเรารู้ทันมันก็นแล้วกัน mm hmm. พอเราคิดว่าเราปับ๊บเราก็จะรู้ว่ า, ามันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเนะี่ยเราคือใครเราก็จะถามตัวเราทันทีเราคือในกอรในขอเราคือนายกในนายกลือนายแล้วเนะี่ยไม่ใช่เราคือตัวรู้เท่านั้นเองเราก็อยู่กับตัวรู้ไปให้รู้เฉยๆไป ไม่ใช่ว่าพอเราเป็นนายกเราก็จะวางอํานาจบาดใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงยันใจมันยังคิดได้อยู่เพียงแต่ว่าปัญญาจะทันมันหรือเปล่าจะรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นความหลงไม่ใช่เป็นความจริงความจริงก็คือเราเป็นแค่ตัวรู้เท่านั้นเราไม่ได้เป็นหญิงเป็นชายเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายร้อยนายพันเป็น ผู้จัดการเป็นเจ้าอาวาสเป็นอะไรร้อยแปดปันตการที่เป็นกันอยู่นี้ของพวกนี้มันเป็นของปลอมทั้งนั้นของสมมุติทั้งนั้นของจริงก็เหมือนกันหมดทุกคนคือตัวรู้ทุกตัวทุกคนมีตัวรู้แต่ไม่ยอมอยู่กับตัวรู้กันชอบไปอยู่กับตัวนายกชอบไปอยู่กับตัวผู้จัดการแล้วก็หลงบ้าอำนาจไปกับความหลงนั้นกับตําแหน่งนั้น แล้วพอสูญเสียตำแหน่งเรานั้นไปก็ทุกข์เสียใจคำถามจากคุณกันในสมัยพุทธกาลที่กล่าวว่าผิสุผู้นั้นบรรลุธรรมนี่หมายความคือท่านสำเร็จถึงขั้นโสดาบันขึ้นไปใช่หรือไม่ครับออมันก็มีหลายขั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหรันต์คำถามจากคุณพิมพ์ หนูสงสัยว่าที่บ้านแทบทุกบ้านรวมทั้งบ้านหนูจะมีสารพระภูมิเจ้าที่วันนี้หนูสงสัยว่าในศาสนาผู้สอนให้เรากลาบไหวคุณ พ, พุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์ถ้าหนูไม่ไหวพระภูมิแล้วรู้สึกไม่สบายใจเพราะเคยไหวมาก่อนขอพระอาจารย์แนะนำด้วยค่ะไหวได้ไหวพ่อไหวแม่ยังไหวได้เลยไหวคนนั้นคนนี้ก็ไหวไปไม่เสียหายตรงไหน คำว่าให้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็คือให้เอาคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นครูอาจารย์อย่าไปฟังคำสอนของคนอื่นเท่านั้นเองอยากจะไหว้ใครไหว้ได้หมดไปโบสถ์ไปโบสถ์ฝรั่งก็ไปไหว้เขาให้ไหว้ก็ไหว้ไปโบสถ์อิสลามเขาให้ไหว้ก็ไหว้มันเป็นเทียงกิริยาอาการเท่านั้นเองแต่อย่าไปอย่าไปเชื่อคำสอนของเขา รถ้าจะเชื่อก็เอาคำสอนที่เหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้ า, านี้เชื่อได้เป็นศาสนาบางศาสนาอื่นก็สอนคล้ายๆ พ, พุทธเจ้าเหมือนกันสอนเขาสอนว่ามีคนนั้นมาพ ร, พระเจ้าส่งลูกมาถ่ายบาปให้พวกเราอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็อยากไปเชื่อเพราะมันไม่เป็นความจริงไม่มีใครถ่ายบาปให้เราได้บาปของใครของมัน ใครทำกรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทำบาปก็ต้องรับผลบาปที่ได้ทำไว้ไม่มีใครจะมาถ่ายบาปของเราได้ถ้าไม่อยากจะมีผลของบาปก็อย่าไปทำบาปเท่านั้นเองคำถามจากคุณกัญจนาจะสอนลูกให้เป็นคนดีทำอย่างไรคะก็สอนให้มีสัมมาคารวะเคารพเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มีความกตัญญูกตเวที แล้วก็มีความเมตตาเอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอะไรก็แบ่งปันกันอย่าหวงกัน อ, อันนี้ก็เป็นคนดีได้ละอย่าเบียดเบียนกันอย่าทำร้ายกันทาลายกันคำถามจากผู้ฝักถามที่บอกว่าอุเบกขาสักแต่ว่ารู้หากปัาศจากฝึกจิตให้สบายมีความสุข แล้วเราไปใช้ปัญญาจากอดีตชาติในการแก้ปัญหาเลยจะแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมคะก็แล้วแต่ไงบางคนก็แก้ได้บางคนก็แก้ไม่ได้ก็อยู่ที่มีความสามารถหรือไม่มีธรรมที่พอเพียงหรือไม่มีสติมีอุเบกขาพอหรือไม่มีปัญญาพอหรือไม่ ถ้ามันแก้ได้ก็แสดงว่ามีธรรมเหล่านี้พออยู่มีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็แก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็แสดงว่าสติสมาธิปัญญานี้ยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องกลับไปเติมถ้าทั่งแล้วจิตยังไม่รวมก็ต้องไปรวมถ้ารวมได้แล้วมันจะช่วยแต่ก็ไม่ได้นะคราบว่าจะต้องรวมนะอันนี้เราก็ไม่กล้ายืนยันเดินแต่พพุทธเจ้าบอกว่าปัญญาที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาธินี่มันมีประโยชน์มาก มีผลมา ก, แ, กแสดงว่าปัญญาที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาธิย่อมมีผลน้อยย่อมมีประโยชน์น้อยในที่สุดจะวัดกันก็วัดที่การแก้ปัญหาของเราเนั่นแหละเวลาเรามีปัญหาเรามีความทุกข์แล้วเราแก้ได้หรือเปล่าถ้าเราแก้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้จิตรวมก็แก้ไปก็โอเคไม่ว่ากันไม่มีอะไรสูดตายตัว คำถามจาคุณแดลองถ้าขณะนอนเราจะเินสติพุทโธอยู่ตลอดจนหลับไปและพอรู้สึกตัวก็ภาวนาพุทโธต่อจนหลับไปอีกทำอย่างนี้จนตื่นและไม่ง่วงนอนวิธีแบบนี้ถือว่าเป็นการเจริญสติที่ถูกต้องไหมครับกรณีที่นอนอ๋อนี่เป็นการเจริญสติเพื่อนอนนั่นเองแจะสติที่แท้จริงเราต้องการก็คือเจริญในตอนที่มันตอนที่เราไม่หลับ ต้องการให้มีสติเพื่อควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆเพื่อให้ใจสงบเพื่อให้ใจเป็นอุเบกขาคำถามจากคุณนุชลูกนั่งสมาธิมีอาการปวดชาแต่ก็ภาวนาต่อจนรู้สึกทุเลาแต่มามีอาการเหมือนสับ ป, ปงกแต่ไม่ได้ง่วงรู้สึกตัวดีสับ ป, ปงกแต่ละครั้งกายเอนลงเรื่อยๆลูกก็ตั้งใจจะไม่หยุด จนกระทั่งเอ็นลงเรื่อยๆ ร, รู้สึกกดทับเจ็บปวดในช่วงท้องอย่างมากจึงต้องหยุดภาวนาลูกควรทําอย่างไรดีคะก็ตั้งนั่งใหม่เริ่มใหม่นั่งตั้งตัวให้ตรงใหม่แล้วก็ภาวนาใหม่คําถามจากคุณวัชรินการเพ่งกสินกับนั่งสมาธิต่างกันอย่างไรครับก็เป็นวิธีนั่งสมาธิแบบหนึ่งเพ่งลมก็ได้เพ่งกสินก็ได้ เหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งที่เราเพ่งเพ่งลมก็ดูลมไปเพ่งกระสินก็ให้เพ่งให้เพ่งสีใดสีหนึ่งนึกให้ให้นึกถึงสีใดสีหนึ่ง mm. เช่นเอากระดาษสีแดงมาปะไว้มาวางไว้ที่ข้างหน้าแล้วก็มองมองดูสีแดงแล้วก็ลองหลับตาหลับตาแล้วก็ให้เห็นสีแดงไป mm. ก็เพ่งสีแดงไปโดยที่ไม่ต้องลืมตา การเพ่งนี้ไม่ให้เพ่งแบบดืมตาแต่ตอนต้นยังถ้ายังไม่เห็นสีแดงในใจก็ดูสีแดงข้างนอกก่อนดูแลพยายามนึกถึงสีแดงนั้นแล้วก็ดับตาแล้วก็นึกถึงสีแดงนั้นให้มันโผล่ขึ้นมาในใจแล้วก็ให้มันอยู่กับสีแดงนั้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกันเหมือนการดูลมหายใจคำถามจากคุณเล็ก ตลอดชีวิตเราคิดว่าเดี๋ยวมีความสุขยิ้มได้เดี๋ยวมีทุกข์เสียใจเราหลงไปตลอดเหมือนเราหลอกตัวเองจนมาฟังธรรมะของพระอาจารย์จึงหยุดหลอกตัวเองขอคำแนะนำด้วยค่ะก็ให้สัจจะว่ารู้ไปสุขก็รู้ว่าสุขทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ไม่ต้องไปจัดการอะไรกับเขาเขามาเองเดี๋ยวเขาก็ไปเองความสุขมาเองเดี๋ยวเขาก็ไปความทุกข์มาเองเดี๋ยวก็ไป ปัญหาของพวกเราคือไม่ยอมอยู่เฉยๆพอความสุขมาก็พยายามจะดึงมันไว้พอมันไปก็เสียใจพอความทุกมาก็จะปัดให้มันไปพอมันไม่ไปก็ทุกข์อีกเรื่อเราต้องเฉยต้องสักแต่ว่ารู้กับสุขกับทุกข์เวลาสุขก็รู้ว่าสุขเวลาทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ทัางนั้นพออย่าไปอยากให้เขาอยู่อย่าไปอยากให้เขาไปคำถามจากคุณสุภัตา เวลานั่งสมาธิไปสักพักมีความรู้สึกจะหยุดหายใจหายใจไม่คล่องต้องรีบออกทุกทีแก้อย่างไรคะก็อย่าไปทำอะไรให้ดูเฉยๆมันหายใจไม่คล่องก็รู้ว่าหายใจไม่คล่องไม่ต้องไปทำอะไรมันจะหยุดหายใจก็ปล่อยมันหยุดหายใจไปไม่ต้องกลัวไม่ตายนั่งสมาธิดูลมนี้ไม่มีวันตายมันเป็นอาการหลอนหลอกของจิตต่างหาที่จะมาทาลายสมาธิของเรา วิธีแก้ก็คือเฉยๆรู้เฉยๆไปมันจะอึดอัดก็ปล่อยมันอึดอัดไปมันจะอะไรก็ปล่อยมันไปเราให้รู้เฉยๆให้อยู่กับลมหายใจต่อไปให้รู้ว่ามันกลับหายใจเข้าหรือหายใจออกแค่นี้พอส่วนอาการอย่างอื่นไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับมันคําถามจากคุณสิริวัลคำว่าหลงในตัวเราหมายถึงตัวมานะหรือเปล่าคะนั่นแหละมานะก็คือการ ถือตัวว่าเราสูงกว่าเขาเท่าเขาหรือต่ำกว่าเขาคำถามจากคุณก um. ันจนาดิฉันเข้าวัดปฏิบ yes ัต uh ิธรรมตอนเข้าพรรษาถ้าว mm ันพระไหนไม่ว่าจะไม่ไม่ได้ไปเป็นอะไรไหมคะก็ไม่ได้ไปเลยจะเป็นอะไรก็ไม่ได้บุญไปวัดก็ได้บุญ อไไไไไมม่่ดด้้ปทําบบุุญญก็คําถามจากคุณตาตา้าการไหวการเคารพนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่คือทําอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแล้วถ้าเขาไม่เคารพเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปโกรธหรือไม่ชอบเขาใช่ไหมครับเพราะเราก็ปฏิบัติตัวปกติไม่ได้ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนใช่การหมีสัมมาคาระวะนี่เป็นบุญอย่างหนึ่ง ส่วนคนอื่นเขาจะมีสัมมาคาระวะหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราคงถามจากคุณประราสีนข้อสามผิดสีนข้อสามแล้วเลิกทำเลยกลับมาทำสมาธิแต่ใจยังคิดถึงอยู่ผิดไหมคะแต่แต่ได้เป็นพักพักคิดถึงที่ถึงความผิดที่เคยทำไว้หรื ก็มันผ่านไปแล้วคิดไปก็เสียเวลาเปล่าๆมันผิดแล้วก็แก้เสียอย่าไปทําอีกพระอาจารยจริงไหมครับที่เขาบอกว่ายิ่งเรายิ่งคิดถึงเรื่องที่เราทําผิดพลาดมาในอดีตเนี่ยมันยิ่งบาปซ้ําเข้าของเดิมเข้าไปใหญ่มันไม่ซ้ําหรอกมันเพียงแต่ทําให้เราทุกซ้ําไปโดยใช่เหตุเท่านั้นเองเพราะมันผ่านไปแล้วถ้าเราไม่คิดถึงมันเราก็ไม่ทุกข์พอเราไปคิดถึงมันเราก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาใหม่ S <S มันกันดูหนังเก่าดูอยู่นั่นเน่ดูหนังใหม่ดีกว่าหรืออย่าดูดีกว่าถ้าดูแล้วมันทุกข์ก็อย่าดูดีกว่าถ้ามันคิดแล้วมันทุกข์ก็อย่าไปคิดดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่าหมายความว่าพอทุกข์ก็จิตก็เป็นอกุศลก็กลายเป็นกรรมบาปไปด้วยมันเป็นอดีตไงมันจิตไม่อยู่ปัจจุบันไงถ้าจิตอยู่ปัจจุบันมันก็จะไม่คิดถึงอดีตมันก็จะไม่ทุกข์ คำถามจากคุณเกษราฟังทำแล้วจะสวดมนต์ที่ทำงานทุกวันจะได้เป็นโสดาบันไหมคะอ่อจะเป็นโสดาบันนี้ต้องมีปัญญาละร่างกายได้ละร่างกายปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคำถามจากคุณหญิงเราไปทำให้คนหนึ่งทุกข์ตอนนี้เรายอมแก้ปัญหาที่ตัวเรา เดินมาเพื่อให้เขาไม่ทุกข์แต่มันทำให้อีกคนเป็นทุกข์อีกต้องทำอย่างไรดีคะก็อยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องไปทำอะไรถ้าทำแล้วเขาทุกข์ก็อย่าไปทำถ้าไม่ทำแล้วก็ทุกข์ก็ช่วยไม่ได้เพราะมันไม่ได้เกิดจากการกระทำของเราห ม, หมดแล้วเลย วันนี้ยอดอไม่ตกเลยครับอาจารย์ตอนนี้ก็ยัง400 30 400อยู่เลยครับอาจารย์ก็ดีวันนี้ก็มีธรรมะเยอะแล้วนะอยากจะถามอะไรไหมไม่มีเราก็จะได้เลิกกันน ะ, ะเพราะว่ามันก็ <laughs> ยืดเยื้อไปก็เดี๋ยวก็ซ้าซากฟังแล้วก็จะเบื่อไปเปล่ า, าเอาน้อยๆดีกว่า น้อยแต่มีมีมีคุณมีประโยชน์เราไม่ได้ทําเพื่อจะยืดเวลาให้มันครบเวลาหรอกเรามีเวลากรอบเวลาเพื่อมาตอบคำถามเพื่อให้ทาเมื่อไม่มีคำถามก็ถือว่าหมดเวลาเราจะได้เอาเวลาไปทาอย่างอื่นบ้างถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านสำหรับบางท่านที่สงสัยเรื่องเสียงภาพมืดนะครับบนเขาชิโอนไม่มีไฟฟ้านะครับแล้วไม่มีน้บประปานะครับดังนั้นถ้าสภาพอากาศเนี่ยคืมวันนี้มืดคืมก็เลยมืดไม่เป็นไ ร, ม, ม, รมันไม่สาคัญภาพไม่สาคัญได้กับเสียง ที่เราฟังนี่เราฟังทำเราไม่ได้ดูภาพภาพเป็นส่วนประกอบแค่ น, นั้นเองพระอาจารย์มีข้อนึงแถมหน่อยไหครับก<อ>็นสนใจครับ่าที่ว่าการจะบรรลุธรรมนั้นต้องเอาตายเข้าแรกจริงหรือไม่ครับขั้นโซดามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่าต้องยอมตายไม่ได้เอาความตายเข้าไปแรกเอาความยอมตายเข้าไปแรกไม่ได้ตายหรอกเพราะโสดามันไม่ที่ตายกันที่ไหน คนที่เขาบรรลุกันเขาไม่มีใครตายแต่ก็ต้องยอมตายเขาถึงจะบรรลุได้แต่ไม่ได้เอาความตายเข้าไปแล้วไม่มีใครตายเดี๋ยวจะคิดว่าศาสนาสอนให้คนตายเพื่อจะบรรลุธรรมไม่ใช่สอนให้ยอมตายให้ปล่อยวางร่างกายเท่านั้นเองแต่ไม่ตายหรอกถ้ามันตายมานั่งคุยกันได้ไงพ <c oughs> ระพุทธเจ้าจมาสัง่งมาสอนพวกเราได้ไงแต่ท่านเหล่านี้ท่านยอมตายทั้งนั้นเนี่ยท่านถึงท่านถึงบรรลุธรรมได้อา <c oughs> จัยนะ <c oughs> จะถามตอนนี้ได้ไดได้เไม่ใด้ออกทีวีวอ๋อเอางีเดี๋ยวเรา <ๆ S 2> เดียว